50 languages. y a c h i c h a y a อาเนเองดดดดูหนูตัวเล็กอิลิชิกกัดดูมืดและสว่างกัตเตเลมัตตูบเบลักุตอนกลางคืนมืดราตรีกัตเเล่อาจิรุตเตเดตอนกลางวันสว่าง เบลากีเบลากากรุตตเดแก่ชราหนุ่มสาวฮิริยาคิริยาคุณปู่คุณตาของเราแก่มากนำมะตาตานวริเกอีก้าตุมบาวยสสากิดเด70ปีที่แล้วท่านยังหนุ่ม ยี่สิบห้าวัชชะกลามุ่งเชื่อว่ารูคิริย र รักิดสวยและน่าเกลียบซुนดาราไม่ตัววิการาผีเสื้อสวยชิดเต้ซุนดาราว่ากิเดแมงมุมน่าเกลียบเจดวิการาว่าิเดอ้วนและผอม ดัปปะมัตตูสันน่ผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วนนูรุกิโลตูกดะเฮงกสูดัปปะผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอมไอวัุตุกิโลตูกดะกันดัสูสันน่แพงและถูกดุบาริมัตตูอั๋กกะ รถราคาแพงยีการ์ดุบารีหนังสือพิมพ์ราคาถูกยีดินปัตริเกอักกะ